พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20มิถุนายน2556นณค่ายเสนีรณยุทธจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าโยมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ เศรษฐกทางอนุกรรมปีวางประชารโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของกองกากับต่อชดอ24 20มุตนายน56แต่ตามไม่จริงตรวงพ่ออยู่ไกลแล้วเกินนะ อยู่ไกลแล้วเกินกว่าที่จะมาได้แต่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้รู้กาถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็เนี่ยนิมนต์ครูบายการย์ในท้องถิ่นเทศมาเทศนาอบรมแต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ไกลแล้วเกินกว่าจะมาถึงได้แต่ทีไงวันนี้ก็คิดว่าพระหลวงพ่อเทศไม่ตูดใจกพราะเี่ยอ็มพีสามเทศต่อทั้งวันทั้งคืนเลยว่ะเพราะว่าเพราะว่าเอ็มพีสามหลวงพ่อเนี่ย เทศตั้งส บ, สสบสามชั่วโมงนะแผนน่แผนหนึ่งเทศได้13 า, 26, 20, า 4, ชั่วโมงสนะองแผ่นเท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบสี่ยิบห้าชั่วโมงยีบหกชั่วโมงวันนั้นเวลาใครต้องการอยากจะฟังหลวงพ่อวนะันนั้นเปิด m อ3มสามฟังเลยเอาหลวงพ่อ m อ3สให้หรือจะแจก m p ็มีสาวันให้คนละ กล่องกันกล่องละสองแผ่นนะเอาหลวงพ่อจะเริ่มพิธีแสดงธรรมวันรัะนรีงนี่นะเอาเป็นพิธีสักหน่อยก็ดีเหมือนกันแหละแต่โดยมากหลวงพ่อไปนะัสถานที่ใดหลวงพ่อกัพ่อคณะษัตว์ทยญาติโยมพร้อมแล้วพอกล่าวสัมโมตธนิยกรฐถาไปเลยแต่บางครั้งก่อนออควรจะยึดแนวปฏิปทา อูรพาจาร์พ่อแม่กูบาจารึกดำบันก่อนที่ท่านจะแสดงธรรมท่านก็ตั้งนโมแล้วก็อ้างพระบาลีลอ่างพุทธภาสิทธสก่อนจากนั้นท่าน ก, ก็อธิบายเลือกธรรมะอธิบายธรรมะจากนั้นก็สรุปและลงที่พุทธภาสิทธที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นอันนี้ก็คือการแสดงธรรมสําหรับ บุรพาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตั้งแต่ติดตำบันมาเราจะเป็นทิ้งทีเดียวก็ไม่ได้เราจะยึดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะยึดอย่างเดียวก็คือต้องดูกาละเทศะฟังไม่กี่คนเราก็จะไปตั้งนโมตั้งพุทธภาสิตขึ้นมาอย่างนั้นก็ไม่น่าจะเหมาะเราก็ต้องดูเราก็จะต้องพูดตามกล่าวสมโภชทิยกถาพอสมควรแต่ถ้าหากว่า เป็นนั่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกิจจลักษณะเราจะไปพูดแบบอย่างนั้นอย่างไงก็คงจะไม่ค่อยเหมาะอีกเพราะนั้นหลวงพ่อเองมานัสสถานไปนัสสถานที่ใดหลวงพ่อจะมองดูสัก่อนว่าสมควรจะทำอย่างไรที่จะต้องพูดในจุดนั้นนั้นแต่มาปัจนี้วันนี้ก็เห็นพวกคณะต่อชะดอของเรา ข่ายเสรีร ล, ลุดนายุทธ์ของเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันหลวงพ่อก็จะได้กล่าว เ, เทศนาว่าการตามทำนองคลองที่ภูรพายจานันเคยปฏิบัติมานะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ โ, โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะปูชาจะปปูชนียานังเอตัมมังขรมุตตะมัน ต, ติวันนี้นบว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่ไข่เสรีรนยุทธของพวกเรา ที่จะว่าไปแล้วก็เป็นลูกชิ์ลูกหาขององค์หลวงตามาตั้งแต่นมนานเอ่อก็เข้าไปดูแลองค์หลวงตารับผิดชอบดูแลทุกอย่างที่วัดป่าบ้านตามานมนานคนนั้นหลวงพ่อมาในวันนี้ก็เห็นว่าเป็นทายาติขององค์หลวงตาเนีพวกคณะสิทธิารูสิทธิ์ทั้งหลายควรจะติดต่อนอนนเนื่องสืบเนื่องกัน พอพวกเราเป็นวงสาคณาญาติหลวงพ่อเองก็เป็นฝ่ายพระสงฆ์พวกเราคณะสัตไทยญาติโยมก็เป็นฝ่ายฆราวาสญาติโยมผู้สนับสนุนในปฏิปทาหรือว่าในแนวทางขององค์หลวงตาจากนั้นพวกเราก็ได้ช่วยกันดูแลผู้บ่ายอาจารย์ที่เป็นลูกขององค์หลวงตาหลายวัดอย่างหลวงปูล่ลีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็วัด ออื่นที่มีการร้องขอเข้ามาเราก็ได้ได้ช่วยกันไปดูถือว่าองค์หลวงปู่ของเราองค์หลวงตาของเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายในฐานะสิทธิลูกหลานก็ให้การสนับสนุนแล้วก็พร้อมกันองค์หลวงตาก็ให้การสนับสนุนท่านไม่ได้มองข้ามพวกเราท่านทั้งหลายองค์หลวงตาท่านก็ว่าพวกเราเป็นรั้วของชาติ ทังผู้พิทักษ์สันติราชฎร์ด้วยทั้งเป็นร่วของชาติด้วยคือในอยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียกว่าตอชอดอเรักษาดินแดนด้วยแล้วก็รักษาความสงบของพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยลงตาท่านก็มองเห็นจากนั้นท่านก็ให้กองทุนมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาตําหรับให้พวกเราได้จับจ่ายใส้สอยเมื่อคราวจําเป็น แต่ถึงจะไม่มากถึงจะไม่มากแต่ก็เมื่อคราวจำเปตมาเราก็ได้พึ่งพาอาศัยในจุดนั้นเรียกว่าเป็นการให้แก่ปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้กันถือว่าองค์หลวงตาท่านมองไกลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในฐานะลูกหลานที่ได้มาอยู่ในร่มเงาในค่ายแห่งนี้หลวงพ่อเองก็ถือนับว่าเป็นผู้โชคดี ส่วนหนึ่งที่พวกเราได้ทั้งปฏิบัติทั้งหน้าที่การงานด้วยทั้งได้รับความอบอุ่นในทาง พ, พระพุทธศาสนาด้วยสรุปแล้วก็คือทั้งคดีโลกและคดีธรรมไปด้วยกันคดีโลกก็คืออย่างพวกเราทํามาหาเลี้ยงชีพทาข้าราชการอย่างนี้อะไรกาคดีโลกแต่คดีธรรมก็คือพวกเราได้น้อมนำธรรมคําสอน ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโองหลวงตามหาบัวของพวกเรานำมาประพฤติธปฏิบัติอันนี้ก็เป็นบุญกุศสลส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราได้ทั้งสองอย่างคือทางทางโลกและทางธรรมแต่ถ้าว่าไปบางแห่งพวกเราได้แต่คทางโลกมีแต่การสอ ะ, ะแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพหาเงินหาทองแล้วก็หาปัจจัย4โรคยาอาหาร อาหารแล้วก็ผาหนุ่งหมยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่เราเ็ที่อยู่อาศัยในช่างบ้านสร้างเรือนอันนี้แปลว่าหาปัจจัยสี่หาแต่ปัจจัยสี่อย่างเดียวหลวงพ่อว่ายังไม่เห็นด้วยในหลักของพระพุทธศาสนาหลักท้าธรรมพัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าถึงจะเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเออถึงจะอาหารอย่างดีเสื้อผ้ายางดี ยาแก้โรค ไ, ไข้ไห้เก็บอย่างดีที่อยู่อาศัยหรูหราโออาอย่างดีเข้าไปอยู่เลือกไปใช้สอยในวัตถุเหล่านั้นมีเงินคำทรัพย์สมบัติเป็นร้อยล้านพันล้านอีกต่างหากอยู่ด้วยความ ห, หรูหราโออาอยู่ไปอยูนะ่นานเข้านานเข้าเดี๋ยวก็เห็นผมขาวออกมาละ่ะแล้วเพอรเอร์เพก็เห็นฟันหลุดออกมาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นตาฟ้าฟ า, างเดี๋ยวก็หูตึงหนังเหี่ยวฟอนด์สุดก็น เรื่องจะเลี้ยนดีขนาดไหนก็เลี้ยนเลี้ยงรยง่างกายไม่มีที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปข้างหน้ามีแต่เท่าแก่ชราไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้กลึกรีว่าการสอดแสวงหาทรัพย์ข้อจาเป็นแต่จําเราปฏิเสธเราจะประมาทไม่จําเป็นไม่สําคัญก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องหาแต่จะถือว่าการหาทรัพย์สมบัติน่ะเลิศประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรที่จี้จ่งกว่าการสอดแสวงหาทรัพย์ เพราะการสวัสดิหาทรัพย์มีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาอยู่ในชุมชนและสังคม จ, จะไปคิดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้ไม่ต้องหาหนทางรทำนามธรรมมันมองไม่เห็นแต่เรามองไม่เห็นมนามธรรมเราหาแต่ทางโลกหาวัตถุปัจจัยสีนี่เพียงพอแล้วในทางหลักธรรมคามสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ความสําคัญในเรื่องปัจจัยสีมากท่านให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่า ในหลักธรรมคําสอนอย่ากโกงลงตาของเราตลงตามหาบวและท่านจะแนะนําสั่งสอนเรื่องนามธรรมมากกว่ามากกว่ารูปประธรรมรูปธรรมคือการเป็นอยู่แต่ให้เพียงพออย่ารุหลาโออาจนเกินไปแต่ให้เพียงพอแต่ว่าเรื่องนามธรร ม, ามทางด้านจิตใจนั้นควรจ ะ, สะแสวงหาบุญงามความดีควรจ ะ, สะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะว่าใจของเราเนี่ย เข้ามาอยู่ในร่างกายของเรานี่ร่างกายกับใจเป็นคนอ่านกันเป็นพี่พึ่งพาอาศัยกันระหวว่ากายกับใจใจกับกายแต่ทางโลกเขาให้ความสาคัญเรื่องของกายมากกว่าเรื่องปัจจัยสีสำคัญกว่าแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าท่านให้ความสาคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านจึนยงยกเป็นพุทธภาสิกว่า มโนโปุพังข ม, มาธรร ม, มามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงท่านท่านจึงให้มีการอบรมแนะนําสั่งสอนเรื่องของใจถ้าว่าใจของเราดีแล้วมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมดีแล้วการบริหารทางร่างกายและการบริหารกับเรื่องต่างๆก็จะเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ไปในทางที่ดีแต่ถ้าว่าพวกเราใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจของเราเป็นนักเลงเป็นหัวไม้เป็นคนดือด้านเป็นคนไม่มีศีลธรรมจริยธรรมเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนไร้เหตุผลถ้ามาอยู่ในร่างกายของเราใจของเราไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์ไม่มีอีกคุณงามความดีไม่มีอีกการทาอะไรไม่มีผลอีกถ้าเราคิดได้อย่างนั้น ใจของนั้นอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้ก่อนน่ะ น, นการจะกระทําอะไรออกไปกระทําให้คนอื่นเดือดร้อนพุ่นวายไปหมดเพราะเหตุใดเพราะใจของคนนั้นไม่ได้รับการอบรมไม่เชื่อว่าบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มีจริงเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึะหาเหตุผลให้ใจทวงนั้นยอมรับหลักเหตุผลอย่าไปทําอย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าไปพูดในสั่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการสร้างคุณงามความดีการสั่งสมคุณงามความดีนั้นมีมากมายหลายเนี่ยพุทธทุตแท้แต่คนไหนจะทำสิ่งไหนเหมือนกับพวกเราทํามาหาเลี้ยงชีพยอย่างนั้นแหละพวกเราหาทํามาหาเลี้ยงชีพถ้าจะนั่งไล่อยู่ที่นี่เอ๊ะใครทำอะไรบ้างที่การสดสวยหาเงินเนี่ยมันมีกี่ทาง ทางมิจฉาชีพด้วยสัมมาชีพด้วยมิจฉาชีพคือหาในทางที่ไม่ถูกต้องสัมมาชีพคือหาในทางที่ถูกต้องแต่หาเงินแล้วหาเงินมีกี่อย่าง อ, อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งคิดกันต่อเช้ารอก็ใช่ เ, เป็นตำรวจกองเมืองก็ใช่เป็นครูบาอาจารย์ก็ใช่เป็นทหารก็ใช่เป็นพิภาก้าก็ใช่เป็นอายการก็ใช่ถ้าเล่าไล่เบี่ยงไป เป็นประหลาดเป็นผัวถ้าไล่เรียนไปเนี่ไม่รู้กี่ะแน่งแต่ทุกคนก็ได้เงินมาด้วยกันทั้งนะั้นอันนี้ก็เหมือนการสะแสวงหาคุณงามความดีของพวกเราก็เช่นเดียวกันการสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราก็มีมากหลากหลายเหมือนกันแต่พวกเราจะหาสิ่งไหนเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราให้เหมาะสมให้ถูกต้องให้เป็นธรรมนี่เราอยู่ในสถานะเป็นครวา่า อย่างเนี้ยเป็นฆราวาสญาติโยมอย่างนี้เราจะสอบแสวงหาอย่างไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าสำหรับฆราวาสญาติโยมก็ให้มีทานให้มีให้มีศีล ใ, ให้มีภาวนาทานพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายหลายคนถ้าไม่มีการเสียสละต่อกันไม่มีการให้อภัยทานไม่มีการให้อมิตรทานไม่มีการให้วิทยาทานไม่มีการให้ธรรมทานต่อกัน โลกทั้งโล ก, ก็จะเดือดร้อนเพราะไม่มีการเสียสละต่างคนก็ต่างอยู่ต่างมองกัน เ, เป็นอริจตรูไปหมดเพราะว่าไม่ได้สงเคราะห์อนุเคราะห์กันอันนี้คือคนไม่มีฐานะไม่มีทานแต่คนมีทานอยู่ด้วยกันมีการเสียสละมีการให้อภัยมีการแนะนำสั่งสอนจึงกันละกันนั่นะโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีน้าใจต่อกัน อันนี้คือฐานศีลคือรักษากายก <c oughs> ายวิจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษไม่คิดฆ่ากันไม่คิดขโมยกันให้ครบสิทสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่โกหกกันไม่ดื่มสุราให้ขาดสติเ <c oughs> มื่อขาดสติแล้วเราจะทำความชั่วเพราะเราขาดสติทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างอันนี้สำหรับคารว่ะคือศีลห้าก็น่าจะเพียงพอสาหรับการปกครองแต่ส่วนภาวนานั้น เมื่อท่านทั้งหลายมีทานมีศีลแล้วควรจะสงบจิตสงบใจอย่าไปคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นจนเกินไปให้หาหลักเหตุผล เ, เหตุผลเป็นยังไงการเป็นอยู่ของเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้เดี๋ยวนี้อย่าให้เกินตัวอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางเกินไป อ, อ, อย่าได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้มีคุณธรรมแต่ถ้าว่าจะเราอยากจะให้อยากรู้ ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรอันนั้นเราต้องมีกรรมฐานกรรมฐานภาวนาอยากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าให้ภาวนาทําจิตใจให้สงบหรือว่าอกรรมฐาน40ของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราท่านทั้งหลายมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาองคหลวงตามหาบูวหลงตาของเราก็สอนไว้ให้ภาวนาโคตโคนะ้อันนี้แหละสำหรับกรรมฐานสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย แกยึดเป็นแนวทางอันนี้สำหรับเป็นคราวาดญาติโยมผู้ที่จะดำลงของชีพเป็นคนดีสมาชีพสำหรับจะต้องตั้งตนเป็นคนผู้จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนานี่แหละแล้วก็ในการประพฤติปฏิบัตหลับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาแล้วก็สําหรับพระสงฆ์ท่านก็ให้มีศีลสมาธิปัญญาท่านไม่ได้ไบอกให้บอกให้มีทานนะพระสงฆ์เพราะเสียสละมาแล้วพระสงฆ์มีจะ บ, บริขาร8มีมีอัตถบริขาร8เท่านั้นอันนี้ก็คือพระสงฆ์แล้วก็ให้มีศีลสองร้แล้วก็ให้มีสมาธิและปัญญาให้คิดกันกลองไตรตรองเหตุและผล รู้จับปล่อยรู้จับวางในการเป็นยููของตนเองอันนี้คือพระสงฆ์ถ้าจะพูดไปแล้วก็คือฆราวาดเนี่ยคือทานศีลภาวนาแต่สำหรับพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญานี่แหละแยกกันพอสมควรนะคือต้นเงาต้นเงาที่จะแยกกันแต่เนี้ยกให้พวกเราฆรัทธาญาติโยมทุกหมเหล่าในการประพฤติปฏิบัติสำหรับฆราวาสญาติโยมเนี่ย จะภาวนาเนี่ยจะได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์มีไหมเนี่ย <Okay. S 1> พวกเราก็คงอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างองค์หลวงตาของเราเนี่ยต้องตามหาบัวท่านก็ประกาศว่าท่านเอหมดกิเลสหมดเออกิเลสราคะโทสะโมหะท่านบริสุทธิ์แล้วเออท่านจะไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้ว ในหลวงตาท่านก็ประกาศอย่างชัดเจนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไป้ินได้เห็นแต่คนที่ไม่เชื่อผมไม่เชื่อคนที่เชื่อกาษาทุกองหลวงลตาพูดจริงเพราะการประพฤติปฏิบัติของท่านไปในทางที่ถูกต้องไม่เห็นที่ผิดที่ตรงไหนอันนี้เป็นที่ยอมรับของสิทธิญาติสิทธิทั้งหลายจนถึงท่านจุดตินิพพานอันนี้สําหรับฆราวาสญาโจรแหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นฆราวาสญาโยมสามารถที่จะสําเร็จเป็นพระหัน ได้ไหมอ่อันนี้ก็คือเป็นข้อถามสําหรับพวกเราที่อยู่ห่างไกลไม่ได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นคราวาสสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมตอบได้เลยวัาได้นีแล้วก็มีในพระตรัยพิดกสําหรับผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์มีมากต่อมากยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้บวชนะเ่แต่เดยววันนี้หลวงพ่อจะสาธกให้ฟัง เกี่ยวกับคา ร, รวะคา ร, รวะผู้ชายออกินเหล้าอีกต่างหากแล้วได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เนี่หลวงพ่อจอหัวพ่ออย่างนี้แล้วพวกเราคงอยากจะฟังเอ๊ทําไมกินเหล้าจู่ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เผลอๆ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่โต๊ะนัน่ยบางคนอาจจะติดเหล้าเอ๊ะข้าจะได้สําเร็จเป็นพระรหันต์หรือเปล่าเนี่ยตามไม่จริง ในหลัของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ในสมัยนั้นสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวรรถีตอนเช้าพระพุทธองค์ไปบิณฑบาตกับมีพระ อ, อนอนท์เป็นปัติฉาสมณะคือเดินบิณฑบาตตามหลังวันนั้นพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตอยู่ในกรุงสาวสรรค์ถีพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหาร เข้าไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีวันนั้นพระพุทธองค์เดินไปบิณทบาทไปเห็นสันตติมหาอัมมัดสันตติมหาอัมมัดคือเป็นอัมมัดใหญ่ของพระเจ้าปเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เหมือนกับมีอนาเขตอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยนะสมัยก่อนนันนะแล้วทีนี้พวกอริสตูฆ่าฆ่าศึกพวกแข่งข้อขึ้นอยู่ในหัวเมืองต่างๆ ตอนนี้ก็เกิดศึกสงครามอยู่ในหัวเมืองพระเจ้าปเจนที่โกศลก็เลยส่งสันติติมหาอัมมาติที่เป็นอัมมาติใหญ่เนี่ยไปปราบไปปราบอริัตูในหัวเมืองพอไปปราบเสร็จแล้วสันติติมหาอัมมาติก็ชนะปราบได้อย่างราบคาบแปลว่าอริสตูเหล่านั้นพวกแข็งข้อเหล่านั้นพวกกบฏเหล่านั้นล่าถอยออก ไปหมดเลยเป็นผู้ชนะจากนั้นสันติมหาอามาตย์ก็กลับมากลับมากอมารายงานพระเจ้าปเสนที่โกสลพระเจ้าปเสน ท, ที่โกศลก็พอพระไทยให้บำเหน็จให้บำเหน็จอา้าวสันติมหาอามาตย์แต่งแต่วันนั้นไปถึงวันนั้นเจ็ดวันเราจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินให้ค่ายให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจวันก็มีนะสมัยนั้นนะคือรางวัน ท่า น, นก็มอบมอบรางวัลให้กับสันติมหาอามาตย์ตั้งแต่อาทิตย์ที่เท่านั้นอาทิตย์ต้นเดือนสมมุติว่าอาทิตย์ต้นเดือนอรกรกฎ า, านี่แหละไปไปได้เจ็ดวันตั้งแต่วันที่หนึ่งรกรกฎ า, าไปถึงเจวันเราจะให้ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินขนาดนี้ล่ะจากนั้นพระเจ้าปเจียนก็ประธานนางฟ้อนนางลำให้เป็นเมีย อให้เป็นให้เป็นคู่ครองอ่ะมอบให้เนื้อหาให้ที่ว่าเป็นที่พอถูกใจพอใจอจากนั้นฉันติติมาหาอามาตย์ก็เมื่อได้ถึงวันแล้วก็ขึ้นทองทรงเครื่องทรงเต็มที่นะใครเขาว่าเป็นพระเจ้าเป็นตินเจ็ดวันขึ้นเครื่องทรงเต็มที่จากนั้นก็เอทั้งสุราทั้งนารีแปลว่าเอาทั้งหมด อันไหนที่สนุกสนาเอาสุดเวียงฮะเพราะเป็นพระเจ้าแผดจิเจ็ดวันเนี่ย่เพราะพระเจ้าประเสริฐที่ขัโสวนมอบให้เป็นผู้ครองให้รางวัลเกี่ยวก็ไปปราบอริสตูไปปราบพวกชนบทชนะมาจากนั้นตันติมหาอมารได้ครองราชยูกเป็นวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเราก็ขึ้นช้างเพื่อจะไปอาบน้ำ ในแม่น้ำเอเจรระวดีนั่งคอยช้างมาพระพุทธองค์กับพระอนุนเดินไปปิณธบาภออกจะเข้าไปในกรุงสวัสถีอพอพระพุทธองค์เห็นสันติมหาอามาตสันติมหาอมาัตตนั่งอยู่บนคอช้างใส่เครื่องอทรงของอาอมาตย์เจดวันของท่านเห็นพระพุทธองค์กับพระอนุเดินบิณธบาภผ่านมา ฉันตติมหาหมัดอยู่บนคอช้างตกแหลไม่ตกแหล่เนี่อยู่บนคอช้างแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าใคร้ข้าพงกหัวเคารพแสดงความเคารพบนคอช้างตอนนี้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นท่านเหลือกไปเห็นท่านก็บอกท่านจะยิ้มพระพุทธเจ้ายิ้มพระโอษฐ์แย้มโอษฐ์พระอานนท์ก็ถามกลาบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์แย้มพระโอษฐ์ด้วยเรื่องอะไรหนอพระเจ้าค่ะ พระอา น, นุ์พระพุทธองค์บอกว่าอา น, นุ์วันนี้สันติมหาอมั์เนี่ยเขาจะได้สำเร็จเป็นพระาราหันตอนเย็นวันนี้เองพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นแต่คำพูด น, นี้ดังกล้องยิ่งไปกว่าเครื่องขยายเสียงเออเหมือนกับวิทยุ F M A M อย่างนั้น่ะดังกล้องไปทั่วกรงสวัสถีเลยเพราะว่าคาพูดพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดช ถ้าอยากจะให้ใครได้ยินเนี่ยพูดคําเดียวเท่านะั้นถ้าได้ยินทั่วแห่งคนถ้าไม่อยากจะให้ใครได้ยินก็พูดธรรมดาแต่ถ้าอยากให้ผู้คนได้ยินเนี่ยพูดคําเดียวเท่านั้นะดังกล้องไปหมดตทนนี้คนทั้งหลายก็ได้ยินได้ยินว่าพขาพูดใจเจ้าบอกว่าสัน ต, ติมหาอามาตวันนี้ตอนเย็นจะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์คนทั้งหลายก็เห็นสันติมหาอามาตย์แล้วไม่เชื่อ บางคนก็บอกพรอพระโธงค์ตรัสอะไรไม่มีศอกเนี่ยอย่างพวกเราเชื่อองหลงตาของเราเนี่ยบางคนก็หลงตาพูดยังไงเราเชื่อหมดพอหลงตาเรามองเห็นแล้วลว ง, งตาไม่มีเาบอกโกหกหลงตาไม่มีแต่บางคนก็บอกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าโกหกแน่ข่าวนี้ อ, อขนาดคนกินเหล้าถึงขนาดนี้แหละจะได้สําเร็จเป็นพระรหันต์จะได้จะมีได้ที่ไหน อ, อแต่เด็กเขา บางคนก็มีเป็นคนเป็นสองกลุ่มลทีนี้เป็นสองกลุ่มจากนั้นพระพุทธเจ้ากับพรานนก็เข้าไปปินทบบาทในกรุงราชในในกลุ่มสาวัตถีพอกลับมาแล้วก็สันธติมหาอมาร์ได้ก็พาบริวารตำรวจทาหารแห่ล้อมไปไปลงไปไปท่าน้ำไปอาบน้ำชำระ ก, กายเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปกินเลี้ยงกันที่สวนอุทยาน คล้ายๆว่าเป็นชวนอุทยานแต่เป็นที่จะดเลี้ยงอาหารอีกอทําไปวันเลี้ยงอย่างเต็มที่เพรวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นพระเจ้าเป็นดินวันสุดท้ายแล้วเพราะจากนั้นก็ไปเลี้ยงกันอพอพวกนั้นกาลังเข้าวงานั่งโต๊ะานางที่เป็นเมียของอันตติมหามาถึงก็สแสดงพวกสแสดงดนตรีคล้ายๆว่าลีล า, าการฟ้อนรําทําขับร้อง ให้เหมาะสมให้สวยงามให้ไพเราะที่สุดนะเพราะแต่ต้องการพระเจ้าปเสนที่ว่านี่เขามอบให้ทีว่าเป็นผู้หญิงที่เลิศจากนั้นพวกกำลังนางกําลังแสดงแสดงลีลาดลีลาอยู่นั้นนะ่ะนางไม่ได้ทานอาหารไม่ได้กินข้าวมา7วันแล้วท้ายที่ากินน้อยนอนน้อยกินน้อยนอนน้อ ย, อยพอกําลังร้องลําทําเพงลงดีลาดอยู่นั่น โผล่ในสูงก็เลยเป็นลมพับลงกับที่เลยพอพอ่อมล้มพับลงกับที่ต่นี่อ้าปากตาค้างเลยต่นี่สันทติมหามาได้กับบอกให้คนเอา้าไปดูสิเป็นยังไงพอไปดูที่ไหนได้นางใจขาดตายาตเลยพอนางตายเท่านั้นแหละวงแตกเลยตนีกินอาหารไม่ลงเลยสันทติมหามาเห็นที่เมียของตัวเอง อที่แต่งงานยังไม่เท่าไหร่ตายให้เห็นต่อหน้าเนี่ยสันติมหาบาตกินเหล้ามาเจ็ดวันกินเมาเหล้ามาเจ็ดวันหายขาดเหมือนกับปิดทิ้งเลยเอท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเอาน้ําจดลงไปในกระเบื้องที่มันร้อนๆอย่างนั้นอ่ะหายวับเลยนั่นความเมาทั้งหลายโอ้ตายตา ต, อ ต, อตอเอาอย่างไงเนี่ยนอกจากพกระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะหาย แท่ที่จะแก้สูกเราได้ในครั้งนี้ฮรัคิดถึงพระพุทธเจ้ า, ท, าทันทีเลยตายพาให้เราพาเราไปหาพระพุทธเจ้าโดยเทินนะพวกบริวารก็เอาขึ้นคอยช้างใส่ชุดอยนันนั่นชุดส่งของพระราชาเจ็ดวันเข้าไปในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็ได้ออกเสด็จออกมารับพอมารับพวกรงก็เทศชนาให้ฟัง พอเทศนาให้ฟังอจันทิติมหาอามาตต์ฟังได้ฟังบอกว่าฉันทิตเธอได้เสียใจร้องให้กับเรื่องอย่างนี้นะ เ, เรื่องทอี่คนตายอย่างนี้นะ่ะที่วิญญาณของท่านต่างแต่ท่านเกิดมาร้องให้กับสิ่งที่ล้มล้มตายตา ย, ตายอย่างนี้นะน้ําตาของท่านเนี่ยมากกว่า ม, มหาสมุทร มากกว่าน้ำมหาสมุทรถ้ามันไม่แห้งนะถ้ามันไม่หายไปไหนนะหยดไหนก็หยดนั้นหยดไหนก็หยดนั้นไม่แห้งเลยมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรพอสันตติมหาอมาตย์ได้ยินท่านั้นโอ้เออเราไม่ใช่ว่าเกิดมาพบเรียวชาติจะมาเจออย่างนี้ถ้าเกิดอีกพบหน้าชาติหน้ามันก็คงเป็นอย่างนี้อีกเออจากนั้นพระโอกระเทศชนาว่าการให้ฟัง อันนี้จังพุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของการเป็นอยู่ร่างกายสังขารเกิดแก่เก็บตายทวกคนต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเราสันติมหาอามาได้ยิงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในช่วงนั้นจบสี่บาทพระคาถาสันติมหาอามาได้สําเร็จเป็นพระรหัสเพราะท่านเป็นผู้มีสติเต็มที่และเป็นบุญบา ร, รมีเก่าแก่พอได้สําเร็จเป็นพระรหัสแล้วเจนี พระพุทธองค์ก็บอกว่าสาันติคนทั้งหลายเดี๋ยวนี้มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเชื่อตถาคตเชื่อเราตถาคตว่าท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะได้มาดูการลีลาของท่านแต่อีกพวกหนึ่งไม่เชื่อว่าท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นเธอควรจะแสดงให้เขาได้รู้ว่าเธอเป็นพระอรหันต์นะได้แสดงบุ ป, ปกรรมคือกรรมเก่าของเธอทาอะไรไว้ในอดีต จึงได้มาเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะจากนั้นชันตเติมหาอัมบาท่านก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพ่อกราบเสร็จแล้วท่ขานก็หอขึ้นบนอากาศนะแสดงฤทธิ์เ่ยนขึ้นไปบนอากาศ อ, อจากนั้นก็ประกาศธรรมแล้วบ่อที่ข้าพาเจ้าได้เป็นฉันตเตติมหาอมาัมบาในข้าพเจ้ากรรมบุพกรรมกรรมดีของข้าพเจ้าในอดีตเ อ, อสมัยนับจากนี้ไปเก้าสบเอ็ดกับถอยหลัง ข้าพเจ้าได้เป็นคนชาวบ้านธรรมดาข้าพเจ้าได้คิดว่าเออจะทํายังไงข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นข้าพเจ้าจะทํายังไงจึงจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้ได้มากที่สุดจากนั้นข้าพเจ้าเองก็ได้ออกไปประกาศธรรมเอ่อใครข้าวเดินไปประกาศธรรมแล้วก็เอ้ยพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะเป็นคนดีเนอให้ทานรักษาศีลภาวนาเนอไปฟังเทพ ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนอะพระพุทธเจ้าวิปัสสีกําลังแสดงธรรมทุกวันอย่างถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยก็ประกาศให้ชาวดอให้ไปฟังเทศองค์ลวงตาทุกเช้าลักษณะอย่างนั้นน่ะเอ่อประกาศให้ไปฟังธรรมเทศนาของหลวงตาทุกเช้าเป็นคนดีนะเนอะนั่นี้ก็คือสัคติมหาอมาท่านประกาศคือจากนั้นพระบิดาของพระเจ้าวิปัสสีท่านเห็นาเอชายหนุ่มคนนี้มัน เดินประกาศทั้งบ่ทั้งวันมันทำคุณงามความดีเธอทำอะไรชายหนุม่มคนนี้ก็บอกว่าผมไ ป, ไปประกาศให้คนไปทำความดีให้คนสร้างคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่ จ, จิตใจโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เธอไม่ควรจะเดินควรจะนั่งม้าไปขึ้นขี่ม้าไปประกาศมันจะได้ไกลกว่าต่อมาอีก เห็นเขาเดินขี่ม้าลำบากาเอาขี่รถเอารถม้าเทียมประกาศต่อมายังไม่สมศักดิ์ีเอาให้ขึ้นคอช้างคอช้างไปประกาศเอ่อชายหนุ่มคนนั้นได้ขึ้นคอช้างป ร, ประดาตกแต่งอย่างดีแล้วก็มีบริวารอีกต่างหากเดินประกาศให้คนทำคุณงามความดีเออในยุคสมัยนั้นอายุอายุยืนแปดหมื่นปีนะเอออายุคนไม่เหมือนกันนะแต่เราพ่อพุทธเจ้า อย่างพระโพธิเจ้ากัสปะอายุยืน 20,000 ปีแต่พระโคตมะอายุร้อปีเป็นอายุไขแต่พระศรีอานพระริยะเมตไตต่อไป พ, าพา่ายภาคนาอายุ 80,000 ปีเหมือนกันอันนี้อายุคนไม่เหมือนกันแต่เนี่เขาเป็นอายุหมื่นอายุยืน 8, นึกแป0 0 0ืปีในสมัยนั้นจากนั้นเขาก็สร้างแต่คุณงามความดีอย่างเดียวพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะคนที่มีอายุยืนแต่สังสมแต่คุณงามความดี คุงามความดีเขาจะมากขนาดไหนแต่ถ้าว่าคนอายุยืนมีแต่ทาความชั่วช้าเสียหายสิ่งไห้จะมันชั่วทำมดคนที่อายุยืนและความชั่วของเขาจะมากขนาดไหนขนาดไหนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันตติหมหาอมตท่านอายุยืนแปด 0,000 ื่นปีท่านประกอบแต่คุณงามความดีเข้าสู่กายวาจาใจของท่านเพราะนั้นเมื่อท่านออกจากชาตินั้นแล้วท่านก็มาไปสู่สวรรค์ออกจากสวรรค์แล้ว ในชาตินี้แนตะ่ท่านมาเกิดในเมืองสวัสดีจากนั้นก็ได้เป็นสันติมาหาอมาัดเป็นอมตะใหญ่ของปัญญาปัสสินที่โกศจากนั้นท่านก็ได้ครองราชเจ็ดวันจากนั้นก็นี่แหละเรื่องเราจากนี้ไปพระพุทธองค์ก็บอกว่าท่านก็บอกว่าแต่นี้ไปเนี่ข้าพระองค์ขอลาปรินิพานพระเจ้าข่า พระพระองค์ก็บอกว่าไปตามการอันควรของเธอเนะสันติมหาอามาตย์จากนั้นสันติมหาอามาตย์กระใหญ่อยู่ในเครื่องทรงของพระราชานั้น เ, เพ่งเตโชกับกัดหินเข้าไปร่างกายก็เผาไหมอยู่ในอากาศ เ, เป็นไฟเผาเลยืจากนั้นสันติมหาอามาตย์ก่หายขึ้นไปในท้องฟ้าและหายเงียบไปเลยมีตะกระดุดตกปอกแตกปอกแตกลงมาจากบนอากาศพระพุทธเจ้าให้ เอาผ้าขาวรองอัติธาตุของสันติมหาอามาตร์ตกลงในผ้าขาวต่อพระพักของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าหัวเ อ, อือรพิถุทั้งหลายนําอัติธาตุของสันติมหาอามาร์ไปบรรสร้างพระเจดีย์ไว้ในทางสีแป้งให้คนได้กราบไรวาเคารพสักการะบูชาอันนี้คือกระดูกของพระหัตเข้าในผูปรหับุคคลสี่จำพวกพระพุทธเจ้าพระปจต พ, พุทธเจ้า พระหันทสาวกพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจันทิติมหาอมารเนี่ยคือพระหันทสาวกที่เป็นพระหันถึงท่านจะเป็นคารวาสแต่ว่าทําใจของท่านใจของท่านได้เป็นพระหัน เ, เหมือนกับยิ่งกว่าพระบวชเข้ามาแล้วที่ท่านไม่ได้สําเร็จนะอนี้ท่านเป็นคารวาสที่ท่านได้สําเร็จเป็นพระหันก็นําไปปรรจุไว้ในทางสี่แพร่ง เมื่อมอบให้พระสงฆ์ไปแล้วพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่วัดป่าเชิตะวันก็ถามว่าท่าน เ, เอ๋สันตติมหาหมาัดเป็นโยมเนี่ยปริยิปานเนี่ยก็ท่านรู mm ้ hmm. แล้วว่าท่านเป็นพระหรันปริยิปานแต่เราจะเรียกชื่อท่านว่าอย่างไงดีเราจะเรียกว่าพระหรือจะเรียกว่าพราหมณ์หรือเราจะเรียกว่าพระที่สุขอะไร ท, ะที่จะบอกแต่ทั้งที่ท่านเป็นพระหรัน์ พพระพุทธองค์เสด็จมาในที่พระสงฆ์กาลังสนทนากันอยู่พระพุทธองค์บอกว่าพวกเธอจะเรียกว่าสมาณะก็ได้จะว่าพราหมณ์ก็ได้จะว่าภิกษุก็ได้ได้ทั้งหมดเพราะใจของท่านเป็นพระหานแล้วแต่ร่างกายของท่านเป็นปุถุชนเป็นญาติโยมอยู่เป็นเครื่องทรงอย่างนี้แต่ใจของท่านเป็นพระหานนี่แหละอันนี้ก็คือ มีที่ไปที่มาถ้าจะว่าไปแล้วก็คือกรรมเก่าของท่านก็คือเคย เ, เป็นผู้ประกาศธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็มาชาตินี้ท่านก็ได้ ส, สวยบุญกุศลที่ท่านได้ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายแต่ะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิด อ, อีกเพราะฉะนั้นกรรมชั่วจะทําทเฉลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วทําไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เห็นไหมพวกเราได้ยินไหมข่าวกําลังโลงดังอยู่หลวงพ่ออยู่ในวัดป่านะ่ะมีคณะสัทยาญาติโยมขึ้นไปเกี่ยวข้องเขาก็พูดให้ฟังว่าหลวงพ่อได้ยินไหม เ, เรื่องกําลังโลงดังอน้องลูกน้องฆ่านายฮอแ ต, แ, ตแต่ตามให้จริงพอฟังไปแล้วหลวงพ่อเออลูกน้องมันฆ่านายได้แต่เมื่อฆ่าไปแล้วนะ่ะลูกน้องจะมีความสุขตลอดไปไหมลูกน้องเห็นไ่ะ เขาจะเข้าคุกเข้าถังและเข้าตารางไลเป็นยังไงมันมีความสุขไหมพ่อแม่ก็เข้าคคกอีกต่างหาแล้วเป็นยังไงมีความสุขไหมในหนักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ า, ว, าว่าอัคตังทุกตังเสืยอยู่ปัจฉาตะปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนี่ยอแปลว่า คิดไม่ถึงจุดนั้นพอทําลงไปแล้วเกิดร้อนไหมมีความสุขไหม เ, เมื่อทําไปแล้วมันหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นความชั่วอย่าทำเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทําไปแล้วจะทําให้ตนเองเกิดร้อนเมื่อภายหลัง เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะจต่ายญาติโยมผู้ปกครองท่านที่นั่งอยู่ฟังอยู่ณสถานที่นี้ล้วนแล้วแต่ชั้นปัญญาชนที่ได้รับการอบพรมได้รับการศึกษาในทางที่ถูกต้องในทางที่ดี มาด้วยการพกคนการที่จะคิดทำสิ่งไหนก็ตาให้คิดไปในทางที่ถูกต้องคิดดีทำดีพูดดีพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญและก็พร้อมกันพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาที่ได้เทิดทูบูชาองค์หลวงตาเนี่ว่าปูชาจับปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันบูชาบุคคลที่บุญชาใครๆบอกครบบุคคลที่คงครบ ให้คบหาจะว่าอาเซวนาจะบาลานะให้คบคนดีอย่าไปคบคนผ่านอาเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาให้คบบัณฑิตนัดป่าให้คบคนดีปูชาจะปูชนียานังให้ให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรม อ, อย่างวงโลงตาของเราเรื่องในหลวงของเราอย่างนี้น ะ, เ, ะเรียกว่าบุคคลที่ทําคุณให้กับประเทศชาติทําคุณให้กับโลกทําคุณให้กับพวกเราท่านทั้งหลายบุคคลจะบูชาเพราะเป็นบุคคลดีปูชาจะปูชนียานะังเอตัมมังคารมตัมมังนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นบุคคลอันอุดมไม่พบคนผ่านให้พบบัณฑิต บูชาบุคคลที่คูณบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะนั้นขอให้พวกเราพณะศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านอยู่เป็นผู้เป็นตชดอให้ช่วยกันพิทักษ์สันติราและก็ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองขอให้ประเทศชาติบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติบ้านเมืองทั้งหลายก็จะพึ่งพาอาศัยพวกเราท่าทั้งหลายมีหน้าที่นี้ขอให ประเทศชาติทั้งหลายก็มอบความไว้วางใจสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมีอยู่อยู่ในยู่ใฟอร์มนี้นะเป็นอยู่ในฟอร์มที่ปกป้องประเทศชาติเป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนก็ขอให้รักษาอยู่ในยูนิฟอร์มของเราจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเราก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งคดีโลกและคดีธรรม นะด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนาไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทางทางโลกและทางธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของสิ่งนัรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน